เทพยาดาเนี่ยเห็นว่าหอพระไตรปิฎกที่สร้างไว้ยังเล็กเกินไปอยจะได้ให้สร้างใหม่ให้โตๆคิดอย่างนี้นะท่ mm hmm. านอธิบายอย่างนี้เหมือนตอนที่ท่านปราบดาพิเศษสร้างปราสาทตร์อินทราพิเศษนี่เลยเนี่ย mm hmm. สูงเท่าพระที่นั่งสันเพชปราศาสของอยุธยาฟ้าผ่าท่านเลยสร้างพระที่นั่งดูสิตเตี้ยลงมาหน่อย mm hmm.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 งั้นไม่ใช่ว่าได้กลิ่นหอมแล้วมีความสุขได้กลิ่นเหม็นแล้วมีความทุกข์นะไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงชมแล้วมีความสุขได้ยินเสียงด่าแล้วมีความทุกข์มีแม่คนมันชมเราแต่ว่ามันชมแบบแฝงความแกล้งแกล้งมีไหมมันอยู่ที่อะไรที่ทําให้เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ที่การตีความถ้าเราตีความแล้วอย่างนี้เป็นอารมณ์ที่ชอบใจก็มีความสุขมีอิทธารมณมีอารมณ์ที่ชอบใจนั้นก็มีความสุข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 แล้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีตันหาเสมอไปถ้าจิตนั้นฝึกดีแล้วนะอย่างพระละหาันนั้นท่านเห็นอารมณ์ที่ดีนะจิตท่านก็ไม่มีราคะจิตท่านก็ไม่ดิ้นรนไปตามความอยากด้วยอํานาจของราคะหรือพระลนะหันนั้นท่านกระทบอารมณ์ไม่ดีนะจิตท่านไม่มีโทสะท่ก็ไม่มีความอยากที่จะปฏิเสธอารมณ์นั้นไม่มีความดิ้นรนของจิต